ครูบาทั้งหมดสามสิบเอ็ดวันนี้มาดูดูไม่เห็นมาชันหลายองค์กันนะขาดไปหลายองค์แต่ครูบาวัดโพวรเป็นพระพระกระดูร้อนไม่กี่วันก็คงจะกลับวัดโบวอนก็ดีมาเพื่อเป็นการทัศนศึกษาได้บวชมาทั้งทีก็มาอยู่ป่ารงพงไพ มานอนกุฏิกลัวผีบ้างเหมืนอนกนแต่แต่อยู่วัดบวบหนึ่งอยู่ด้วยกันมันไม่ไม่กลัวผีกลัวผีนี่เป็นยังไงแต่ในใจหนึ่งไม่มีผีหรอกแต่ใจหนึ่งก็ยังกลัวอยู่งั้นอนกะแต่ขนาดนนไม่มีผี ม, มีผีก็ยังกลัวผีอยู่เนะมื่อวานหลวงพ่อไปไประชุมที่วัดป่าหนองกองไปไประชุมรับแปลนเจดีของหลวงปู่เพียรวิริโยฮะ เมื่อวานคณะสงฆ์กับคณะสาาตัตยาธยามโยมนัดกันบ่ายโมงไปเลือกแปลนเขาเขียนมาสี่แปลนก็ามาเลือกได้หลวงปู่บนมีเป็นผู้ เ, เลือกก่อนแต่ในีนเขาไม่มีใครนั้นก็ต่างคนก็ต่างเห็นด้วยก็เลยเอาแปลนเสาหลักที่เขาสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันสมที่พวกเราไปบรรจุเมื่อกี้นี่แหละ คือบริษัทเดียวกันแต่บริษัทนี้ก็ดีเขาเคยดูแลเจดีลุงปู่ล่าแล้วก็สร้างเจดีของคุณแม่ชีแก้วแล้วก็ไปสร้างที่เมืองการแล้วก็มาสร้างลุงปู่จันสมก็ไม่เคยมีปัญหาที่จะทิ้งงานหรือว่าจะตุกติดเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ที่สร้างแต่เป็นบริษัทมาจากกรุงเทพ วิศวกรก็คือพวกคณะในช่างรถไฟอดีตในช่างใหญ่รถไฟกเกษียณอายุราชการแล้วมาช่วยดูแลควบคุมให้ก็ไม่มีปัญหาถ้าได้บริษัทนี้มาทำจะดีของหลวงปู่เพียนก็หลวงพ่อก็เบาใจอีกเหมือนกันนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากเมื่อตกลงกันยังไงเป็นที่พอใจกันแต่ที่แรกแก็เซ็นทัญญากันนะ จายเป็นงดๆดแล้วก็คงจะจบเพียงแค่นั้นแต่งานทุกงานก็ยางว่าเหมือนกันไม่มีงานไหนที่จะอยู่ตัวได้โดยมากมันจะบานปลายไม่มากก่อ น, น้อยว่างั้นงานทุกงานเมื่อเซ็นสัญญาตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอทำเข้าจริงมันดูแล้วมันไม่เหมาะสมคณะกรรมการผู้ดูแลงานก็ต้องหาหารือกันว่า ควรจะเปลี่ยนแปลงยังไงโดยมากมันการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปทางราคาถูกนะโดยมากจะเปลี่ยนแปลงไปราคาแพงเพราะนั้นก็ททำให้บานปลายอย่างเจดีหลวงปู่จันสมเนี่ยอย่างเพดาน Jd ดีแต่ก่อนก็เป็นยิบซ้ำที่เขาเขียนแบบออกมาก็ว่ายิบซำบอดตัวนี้มันจะใช้ได้ก็ประมาณสักิบยี่ปีนีน่กหมดสภาพแล้วถ้ามันถูกน้ำก็ยุ่ยไปหมด ดเจดีทั้งเจดีจะอยู่นานเท่านา น, นเราจะไปเอายิบซ้ำติดเท่านี้เหรอพอมาเออไม่ได้นี่แหละทั้งคณะกรรมการทั้งคณะนายช่างทั้งผู้รับเหมาทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเออน่าจะเปลี่ยนเป็นไม้ไม้ก็พอมีอยู่นี่แหละก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้เปลี่ยนเป็นไม้ราคาไม้มันก็ต้องมากกว่ายิบซ้ำค่าแรงก็มากกว่าทุกอย่างมันมากไปหมด มันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะมันบานแหละท่นีนอกจากออกจากสัญญาแล้วทานี้บานปลายไปแล้วกว่าจะทำเสร็จได้ถ้ทาว่ายิบซ้ำเนึ่นถ้าทำขึ้นไปกับประมาณสี่ห้ามื่นแต่พอทำไม้เข้าไปท่นี่เป็นเท่าไหร่สามแสนจะอยู่หรือไม่นี่แหละมันบานปลายลักษณะอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือเพื่อความเหมาะสมในการก่อสร้าง เพื่อความคงทนเพอเจดีเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่คิดสร้างทีแรกก็ต้องคิดทําให้ดีที่สุดอย่าให้มีปัญหาสําหรับผู้อยู่เบื้องหลังที่ว่าจะต้องซ่อมแซมเร็วๆไงคือพยายามทําให้ดีที่สุดถ้ามันเกิดขึ้นในอนาคตก็มันก็ฉุดวิสัยพอได้คิดดีแล้วก่อนทำเนี่ยคือการก่อสร้างลุงผููเพียงกับลักษณะอย่างงั้นอ่ะ แล้วเมื่อวานวันที่เก้าเมื่อวานวันที่เก้ามีนาห้าสองแล้วก็นัดกันวันที่สิบเก้ามีนาห้าสองนัดในช่างมาพบกันเถิดนัดผู้รับเหมามาพบกันมาเจรจากันทั้งฝ่ายสงทั้งฝ่ายครวัตจากนั้นเขาคงจะหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลนจากนั้นเขาคงจะเซ็นสัญญากันเพราะเคยทํามาแล้วก็คงจะไม่มีอะไร เราคงจะทำแบบสัญญาแบบเรียบง่ายที่ผ่านๆมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ตามมาที่หนักหนาถ้าจะคอยไปอีกกว่าจะตรวจแปลงกว่าจะเช็เอถอดแบบออกค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างปีหน้าคงจะทำปีนี้คงไม่ทันถ้าเราพวกเรารวบลัดก็คงจะปีนี้ก็คงจะลงมือได้เลยนี่แหละที่ว่าจะวันที่สิบเก้า 19. บเก้ามีนาห้าสามอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยคงจะพบกันกับผู้รับเหมากับฝ่ายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์และคณะรัทยาญาติโยมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดหาหรือกันอีกครั้งหนึ่งคงจะใกล้ะจะจบละทนีนี่แหละการที่จะสร้างเจดีย์ไม่ใช่ว่าปูปรับคิดมาแลยจะสร้างเดียวมันไม่ใช่ที่บางคนบอกว่าหลวงพ่ออินจะสร้างเจดีย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะสร้างได้ง่าย ก่อนที่จะสร้างก็ต้องได้รับอนุญาตขออนุญาตเพราะเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แล้วต้องขออนุญาตจากหลวงตาก่อนนะก่อนที่จะสร้างเจดีหลวงปู่เพียรเนี่ยหลวงปู่เพียรเป็นลูกของหลวงตานะพวกเราเป็นลันหลานน้องๆนะก่ อ, อนที่จะสร้างต้องขออนุญาตหลวงตาก่อนถ้าหลวงตาไม่อนุญาตพวกเราจะไม่สร้างจะไม่ทำเพราะหลวงตาถือว่าเป็นพ่อเป็นปู่ของพวกเราเป็นตาของพวกเรา เพรนั้นพวกเราต้องฟังเสียงท่านซะก่อนถ้าท่านอ น, อนุมัติท่านอนุญาตแล้วยังค่อยทําจากนั้นก็ให้เขาแก่กับคณะเข้าไปกราบเรียนท่านลงตากับไฟเขียวไฟเขียวอนุญาตอนุญาตให้ทําจากนั้นก็ไปลงมือทำนี่แหละตามขั้นตอนก่อนที่จะทําได้ะไดนะโอ้ผ่านขั้นตอนไปโลกกี่ขั้นเหมือนกันกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไประชุมกันไม่โลกกี่ครั้งเพราะมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ พอสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ว่าเป็นบริษัททางร้านหรว่าตึกของตนเองจะสร้างยังไงก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นพอสร้างขึ้นมาก็เป็นที่ยอมรับของทุกหมู่ทุกเหล่าที่มากราบมาไหว้ไม่ใช่ว่าพอสร้างขึ้นมาแล้วก็เห็นเจดีขึ้นมาแล้วเป็นความคิดของใครซ้าเนี่ยนะพอเห็นแล้วก็ดูถูกคนที่สร้างคนที่ทา ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราะต้องใช้หลายความคิดเอาความคิดหลายคนมารวมกันแล้วก็พิจารณาด้วยเหตุผลเป็นที่ยอมรับทุกหมู่เหล่ามันจึงจะเป็นเจดีย์ขึ้นมาได้เมื่อสร้างกินเสร็จแล้วก็เป็นส่วนกลางส่วนรวมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุธาตุพระอรหันต์บนยอดพระเจดีย์แล้วก็เป็นที่ กราบไหว้สักการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทางหลายเราต้องคิดอย่างนั้นอันนี้ก็คือเราไม่ได้สร้างเพื่อเราถ้าเราไม่สร้างก็ไม่เป็นไรท่านผู้ใด้สําเร็จมรรคสาเร็จผลท่านเข้าไปแล้วหลงปู่เพี้ยนท่านก็ไม่ได้มาทวงกับเราอีกแต่เมื่อเราสร้างขึ้นมาก็เออเป็นอนุอนุสรสถานถ้าว่าเราไม่มีอนุสรสถานเเลยประเทศทั้งประเทศไม่ได้ ทำอะไรไปเลยมีแต่แผ่นดินอา่ามีแต่ทาไร่ทํานาเท่านั้นหาอยู่หากินเป็นวันวั น, วนแล้ว ก, ก็จบไม่มีอนุสรณ์สถานอะไรเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราเราภูมิใจไหมอย่างนั้นอถ้าภาพรวมออกมาแล้วก็คงจะไม่ภูมิใจเราภูมิใจไหมที่เรามีพระธาตุพนมนะครปฐมนะครศรีธรรมราชดอยสุเทพเชียงใหม่ฮยกที่ใหญ่ๆเอาไว้ เราพอใจไหมเราภูมิใจไหมถ้าลูกหลานที่มีความคิดนะมีประวัติศาสตร์ของตนเองยึดประเทศชาติเป็นหลักก็ภูมิใจเนื่อบรรพบุรุษของเราได้สร้างทาวรวัตถุไว้เพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของคนในชาตนะินี่ก็ลักษณะอย่างนั้นนะที่สร้างทาวนวัตถุแต่เราคนรุ่นก่อนไม่ได้ไม่ได้ทไว มันก็คงไม่มีถึงมายุคนี้ถ้ายุคนี้ไม่ทําไว้มันกงคงจะไม่มียุคต่อไปลูกหลานก็คงจะไม่ได้เห็นได้กราบได้ไหวในชั้นลูกหลานต่อไปหลวงพ่อเคยได้ยินเ้ยผมในไม่ปลูกลงมักตนันทาไมเพราะปลูกแล้วไม่ตัวเองก็ไม่ได้กินปลูกไม่รู้กี่ปีตัวเองตายก่อนนี่ ปลแล้วก็คนอื่นกินลุงพ่อถามว่าเราเคยกินผลตาลไหมหมักตาลไหมลูกมะตาลนนะี่ะเคยกินไหมเคยอยู่ครับนะแล้วใครเป็นคนปลูกไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ากินที่ที่เขาปลูกแล้วนะ่ะนั่นแหละเราก็ควรจะปลูกให้เขาได้กินต่อไปภายภาคหน้ามันจึงจะถูกตัวเองก็ยังกินของเขา แต่กินของเขาแล้วตัวเองไม่ยอมปลูกเ네นี่ยแสดงว่าตัวเองเห็นแก่ตัวอย่างมากเข้าใจไหมตัวเองเห็นแก่ตัวอย่างมากกินหมักตาลของเขากินผลตาลของเขาแต่ตัวเองไม่ยอมปลูกแสดงว่าเราเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวน่นคือจิตใจคับแคบจิตใจไม่กว้างขวา ง, วางไปอยู่กับใครก็ไม่ได้ทั้งทั้งนั้นแหละไปอยู่กับผีกับผิดผีไปอยู่กับหมากับผิดหมาไม่ว่าจะอยู่กับคน ถ้าคนถ้าคนเราถ้ามีจิตใจกว้างขวางมีเมตตาเอื้อเฟือ้อเอื้ออารีต่อกันไปอยู่ในสถานที่ใดในสถานที่แห่งนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขไปหมดเพราะมีน้ําใจมีเมตตามีการเฉลือเผือแผ่ใครตกทุกข์ได้ยากยังไงก็มองดูกันขาดเหลือขาดตกอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรควรจะช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหน อย่างไรเนี่ยคนมีน้าใจใครๆก็รักทั้งนั้นถ้าว่าไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ไปเอารัดเอาเปรียบเขามีแต่ไปคดไปโกงเขามีแต่จะไปจ้องอิดช้าพยาบาทเขาไปอยู่ที่ไหนก็ผิดเขาทั้งนั้นแหละเพราะเหตุไรเพราะใจคับแคบใจไร้คุณธรรมใจไม่มีศีลธรรมใจไม่มีจริยธรรมใจขาดคุณธรรมเพราะนั้นพวกเราให ตรวจตาดูพวกเราทุกทุกทันนะนะไปอยู่นสถานที่ใดต้องมีเมตตาไว้ในใจเสมออยู่กับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่กับภงมิสาคนาญาตกับพักกับพวกหมูเพื่อนลูกน้องบริวารอยู่กับหมากับแมวให้มีน้ำใจให้มีเมตตาถ้าพวกเราทำอย่างนั้นได้นะใจของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขไปที่ไหนก็มีแต่ร่มเย็นเป็นสุขยิ้มแย้มแจ่มใส พราะเรามีเมตตามีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะี่แหละธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีหลายขั้นตอนนะอันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันการอยู่ด้วยกันการอยู่เป็นหมู่เป็นคณะต้องมีน้ําใจจากนั้นก็นมีกฎมีระเบียบ ก, ก็คือศีลคนเราจะต้องบางทีโมโหโกธาขึ้นมาอย่างนี้เราก็อาจจะขาดศีลได้ไง่ายๆเพราะ มีการข่าการตีการชกการต่อยกันนะโอ้พระเจ้าก็บัญญัติสินปาณาธินากาเมมุสาสุราคุ้มครองกายกับวาจาวาจาคืออะไรคือไม่ให้ด่าคนอื่นสอเสียดคนอื่นพูดคำหยาดูถูกเจลียดย้มคนอื่นเขานะสินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ส่วนสมาธิเนี่ยคือรักษาใจใจของเราจะนึกคิดเรื่องอะไรจึงจะถูกต้องให้มีสติสัมปะชัญญะในแนวความคิดของตนเองถ้าพวกเรามีแนวความคิดที่ถูกต้องมีสติสัมปะชัญญะในแนวความคิดคิดนี่มันผิดไหมคิดนี่มันถูกไหมคิดนี่ควรไหมการคิดอย่างนี้ควรคิดไหมควรทำไหมพอคิดออกมาแล้วถ้าคิดดีแล้ว ทำออกไปมันก็ดีพูดออกไปมันก็ดีพอเหตุอะไรพราะคิดดีมีเหตุมีผลแล้วออรอบครอบแล้วยังค่อยทําแล้วยังค่อยพูดนะถ้าคิดไม่ดีทําออกไปมันก็ไม่ดีพูดออกไปมันก็ไม่ดีเพราะ อ, อะไรเพราะต้นตอของการกระทำและการพูดมันออกมาจากความคิดนะคนตายมันทําอะไรไม่ได้นะคนตายมันทําอะไรไม่ได้เอมีต่กายเย่างนั้นนะบาดจามันก็พูดออกไปได้ แต่คนที่มีใจนะั่นแะใจคิดแล้วอะนะจะกระทำอะไรออกไปก็ต้องมีเหตุมีผลถูกต้องจะพูดอะไรอะไรออกไปก็ถูกต้องเพราะคิดดีแล้วเพราะมีทำในใจิตใจต่อนนี้ไปรับพร